ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหรือว่าวัดสมณนัมบริหารนี่เป็นอารามในพระพุทธศาสนานิกายยวนหรือว่า มีกิจศัพธ์เกติคุณสูงคือองค์สรภานัมมทุรดหรือว่าหลวง ไม่ใช่แสดงฤทธิ์หรือว่าโอ้อวดโดยๆทั้งสิ้นแต่เป็นไปเพื่อช่วยสงเคราะห์ แล้วก็ได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุก ความตายอันสยดสยองของคุณสุบิน เป็นเศรษฐีมั่งคั่งของจังหวัดปราจีนบุรีตลอด ที่ทําให้คุณยิวจันทระประเสริฐผู้ โดยเฉพาะก็กําหนดให้นางแก้วซึ่ง บรรดาญาติพี่น้องและลูกๆเห็น เสียงพูดก็ชัดถ้อยชัดคํา ลูกคนนึงก็คลานเข้าไปถามวิญญาณของพ่อว่าใครที่ทําให้คุณพ่อต้องตายวิญญาณ ก็ในสุบินก็บอกว่าถามมาทำกรรมเก่าอะไรไว้ถึงได้ กระผมเจอที่ใดเป็นต้องจับย่างไฟกิน จะวางจึงได้บรรดานให้ภรรยาของกระผมไปนิมนต์ท่านมาช่วยเวลานี้กระผมสบายอกสบายใจดีครับหลังจากนายสุบิน วิญญาณในสุบินก็ถอน เรื่องเกี่ยวกับไฟที่ลุกเองเนี่ยท่านผู้ฟังปี 1964 แม่ 75 ปีครับกําลังนั่งอยู่ พอแม่เฒ่าสิ้นใจตายไฟประหลาดก็พลันมอดดับที่น่าแปลกหน้าพิสวงก็คือ หลวงพ่อบ่าวเอิงท่านได้ประสบด้วยตัวของท่านเองหลาย หลวงพ่อบ่าวเอิงโดยเก็บเงินผู้ชมที่เข้าไปดูการแสดงบุคคลพิการสามคนในประกอบด้วยในทองก้อนแสนเมืองคณะอายุ 38 ปีเป็นคนราชบุรีขาไม่อายุ 23 ปี อีกคนเป็นผู้หญิงเหมือนกันนางสมฤทธิ์ตุลทาอายุ 22 ปีเป็น 2 ข้างทั้ง 3 คนนี้ 3 ท่านก็เข้าคน 2 เนี่ยมี ท่านก็เลยทําวิธีอัญเชิญ นายบุญมาคนนี้มีความละโมบโลภมากอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คิดจะ ก็ทําอุบายเอามีดหั่นหยวก ทั้ง 2 ดูแลพ่ออยู่ 2 ปีพ่อแล้วนายบุญมาก็อุปการะนางทองใบน้องสาว แต่ยังมีความสามารถหาเลี้ยงชีวิตตัวเองได้เนื่องจากกรรมดี เขาดิ้นรนกระเสือกกระสนไปจนกว่า แต่หม่อมอัมพันธ์ผู้นี้กลับมี ตนทรมานที่ตัวเองคิดขึ้นมา 3 คนแล้วก็ได้แต่ เพื่อจะนํามาแสดง